วันนี้เป็นวันพระวันโยมันมันมีทุกวันทุกวันนั่นแหละวันพระนานๆมีทีหนึ่ง ว, วันพระคือหมาเข้มาวันประกอบพิธีวันศาสนาซึ่งควรจะได้สนใจทุกทุกทกคนไปเพราะศาสนาให้ความร่มเย็ยนแก่โลกมานานแสนนานศาสนาเป็นคู่เคียงของโลกไม่มีศาสนาแล้วโลกนี่ก็เหมือนกับโยนปลาใส่หม้อน้ำร้อนนั่นแหละเป็นยังไงโยนปลาสดสดเรา เป็นๆทั้งเป็นเนี่ยใส่หม้อร้อนๆเป็นยังไงนั่นแหละถ้าไม่มีศาสนาเป็นอย่างนั้นจัดทั้งหลายจะขั้วจะจูนกันอย่างนั้นหขั้วจูนรู้จักกันไหมภาษาภวิศาลเรามันรู้กันหมดนั่นแหละมันขั้วมันจูนกันมันกัดมันฟันกันไม่ได้เลือกถ้าไม่มีศาสนาเป็นเครื่องกั้นกลางห้ามไม่เสียเท่านั้นคือห้ามที่ใจใจไม่ภาธรรมแล้วอะไรก็เป็นไปไม่ได้ ศาสนาท่านจึงสอนลงที่ใจความเคลื่อนไหวแยบออกมาจะออกมาจากใจก่อนอืน่นเพราะฉะนั้นศาสนาจึงลงในที่ใจท่านสอนว่ามโนโปุพังธรรมาธร ม, มามโนเสถามโนมายานี่เป็นคำย่อของพุทธภาสิตที่พระพุธทธเจ้าทรงตรัสเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเพิมอยู่ที่ใจเป็นสำคัญท่านว่าจะดีจะชั่วอะไรก็ตามแสดงออกออกมาจากใจเป็นสำคัญมาก อันอื่นแสดงออกไ ม, ไม่สําคัญนะักถ้าลงใจได้แสดงออกแล้วเป็นสิ่งสําคัญมากทีเดียวทําโลกให้ร่มเย็นได้ที่สุดก็คือใจจะทําโลกให้พินาถิหาได้จนไม่มีอะไรเหลือเลยก็คือใจคำว่าคือใจคือใจเป็นยังไงถ้าใจได้รับการอารมณในทางที่ดีแล้วใจจะรู้จักความผิดความถูก ด, ดีชั่วสูงต่ําดําขาวแล้วไปคือปฏิบัติตามท้งควรเจอะเหตุเจอกัผลนั้นๆแล้วก็ ลมเย็นต่างคนก็ต่างปฏิบัติแบบเดียวกันเพราะได้ศึกษาอบรมมาอย่างเดียวกันรู้จักความผิดถูกดีชั่วอย่างเดียวกันการคุณปฏิบัติจึงไม่ก้าวไายกันพอที่จะให้เกิดความทุกข์ความลําบากด้วยความขัดแย้งกันขึ้นในวงมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเนี่ยศาสนาจึงเป็นสิ่งสําคัญมากที่สุดให้เป็นแบบฉบับของจิตใจแต่และดวงละดวงให้มีศาสนาคำมากจัดใจที่มีศาสนาก็คือใจที่มีกฎมีระเบียบมีข้อบังคับ มีแนวทางเดินที่ถูกต้องดีงามน่นถ้าเป็นรถก็เรียกก็ยังที่เรามีนั่นแหละมีทั้งเบรคสถานที่ควนเบรควรห้ามล้อก็ห้ามมีทั้งคันเร่งสถานที่แคบกราดปลอดภัยโล่งโถงทางสะดวกสบายดีคนขับรถมองดูก็รู้นั่นก็เร่งเครื่องมีแต่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปทางทิศใต้ทิศเหนือทิศใดๆก็ตามก็ขึ้นอยู่กับพวงมาลัยหมุนไปคนขับรถ ดีต้องใช้ประสาทพินิพิจารณารอบคอบควรจะช้าหรือเร็วกฎจราจรคือกฎแห่งความปลอดภัยอย่าได้ละในความรู้สึกอย่าถือตนว่าหรือยกตนว่าดีกว่ากฎจราจรคือกฎแห่งความปลอดภัยมันจะจมโดยไม่รู้สึกตัวนั่นถ้าต่างคนต่างขับรถมีความสนใจต่อกฎจราจรแล้วรถจะไม่ค่อยเป็นอันตรายถ้าไม่สูดพิษใส่จริงๆ เห็นยางระเบิดนี่เป็นความสุกิสัยส่วนมากไม่ได้ระเบิดหรอกคนน่ะพาให้มันระเบิดเองชนคนนั้นชนคนนี้ชนสิ่งนั้นชนสิ่งนี้เพราะไม่สนใจต่อกฎระเบียบโดยเห็นว่ากฎระเบียบไม่สําคัญยิ่งกว่าตัวไม่ดีไม่เด่นยิ่งกว่าตัวคันตายแล้วคนนั่นแหละตายกฎระเบียบไม่ตายกฎจราจรไม่ตายคนนั้นแหละตายคนนั้นแหะชิปหายวายป่วงเพราะฉะนั้นกฎ าการขับรถหรือกฎจราจรจรึงเป็นสิ่งจําเป็นหรือเป็นสิ่งสําคัญมากสำหรับคนขับรถโดยทั่วๆไปอ น, นี่ผู้าาศาสนาเป็นกฎแห่งความปลอดภัยไล่ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นสิ่งไม่ดีงามทั้งหลายผู้มีาศาสนาย่อมมีกฎข้อบังคับตัวเองนอกจากนั้นถ้ายังมีกฎหมายบ้านเมืองระเบียบข้อบังคับ<น>ทางภายนอกเขายาข้ํากับอีกก็เอามาจากหลักศาสนานั่นแหละออกมาเป็นส่วนหยาบ ส่วนละเอียดจะแท้ก็คือศาสนาต่างคนเมื่อต่าง ม, มีหลักศาสนาเป็นเครื่องบําเพ็ญเป็นเครื่องระลึกเป็นเครื่องยึดเครื่องเหนียวเหมือนกับคนขับรถระลึกถึงข้อกฎจราจอรอยู่เสมอแล้วต่างคนต่างจะปลอดภัยผู้ขับรถก็ปลอดภัยผู้ไม่ขับรถก็ก็ปลอดภัยเพราะไม่มีรถไปชน<ไ>รถมันชนได้ทุกแห่งถ้าปราศจากกฎข้อบังคับแล้วเท่านั้นแหละวัน<ไ>นี้ต่างคนต่างมีกฎข้อบังคับใจตัวเอง ด้วยศีลด้วยธรรมแล้วจะไปแนวทางอันเดียวกัน <Okay. S 1> ทางไหนที่จะตกเหวตกบ่อเป็นอันตรายไม่ไปเพราะศาสนาไม่ได้สอนคนให้ล่มให้จงสอนคนให้มีความสงบร่มเย็นแม้การทํามาหาเลี้ยงชีพก็ให้ทําด้วยความสะดุดจัสะดุดใจไม่กระทบอระเทือนซึ่งกันและกันต่างคนต่างเสาะต่างคนตัดสินวังหาต่างคนต่างได้ต่างคนต่างมาประสานประสานซื้อขายแลกเปลี่ยนกันไปทั่วโลกดินแดนไม่มีอะไรกระทบอระเทือนกัน สิ่งที่ก็ต้องเผชิญก็คือชกคือรักคือต้นคือสะดมซึ่งโลกมนุษย์เราไม่ควรทําต่อกันนี่ทุกคนไม่มีศาสนามันทําได้อย่างนั้นนั่นแหละเมื่อไม่มีศาสนาแล้วโลกมันเดือดร้อนได้อย่างนี้แหละที่ว่าชกกันที่นั่นรักกันปล้นขี้กันที่นี่โคดโกงรีดไถกันที่นั่นที่นี่มีแต่คนกดไม่มีกฎไม่มีกฎข้อบังคับไม่มีสิ่ทําไม่มีศาสนาแล้วก็ทําลายคนอื่นผู้ทําลายคนอื่นผู้ครอบครให้เกิดความเดือดร้อนจากคุณอื่นคือคนประเภทที่ไม่มีกฎไม่มีข้อบังคับดีงามอะไรเลยไม่มีศาสนาเป็นเครื่อง ประจําใจตนมีแต่เจา้าลัดเอาเปรียบคนอื่นโดยเถิดเดียวตื่นตามมาเช้ามีอะไรคิดตั้งแต่จะกัดตับกับปอดเขายิ่งกว่าสุนัขบ้าเขาวอะนั่นแหละคนไม่มีศาสนาเป็นอย่างนั้นคนมีศาสนาจะต้องคํานึงเึ่งความผิดถูกชั่วดีคํานึงถึงใจเขา้าใจเราอยู่ด้วยกันทุกคนนี่เราเรามองดูกะรุนเนี่ยนี่นั่งอยู่ด้วยกันมีเท่าไรมีกี่กี่ร้อยคนนั่นแหละใจกี่ร้อยดวงมีความรู้สึกดีชั่วเหมือนกันหมดน่ะ เพราะฉะนั้นจริงเอากฎระเบียบอันดีงามคือศีลธรรมซึ่งเป็นเหมือนกันหมดเพื่อความสงบเร่มเย็นเข้าไปบรรจุไว้ที่ใจที่ใ จ, ใจอยู่ด้วยกันมากน้อยมีความฐาสุขสบายร่มเย็นด้วยกันหมดนี่แหะเรื่องศาสนาขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าเราได้ไดถือศาสนาถือยังไงก็คือถือกฎข้อบังคับที่จะเป็นความปลอดภัยไล่มณฑินเดือดไร้โทษไล่สิ่งที่เสียหายทั้งหลายแก่ตัวและคนอื่นนั่นเองนั่นแหละเรียกว่าศาาีลธรรม ในต่างคนต่างนำเบลูกุศปฏิบัติเ <c oughs> ช่อนอย่างปานาปฏิบัตที่อย่างที่เราจะรับต่อไปนี้นะ่ะปานาคืออะไรนั่นปาโนสัต์มีชีวิตปานาท่านยิตาตนรู้อยู่ว่าสัต์มีชีวิต <c oughs> อุปกาโมทําความเพียรเพื่อจะฆ่านั่นตั้งที่อืมแต่นับว่นานางสัตตายด้วยความเพียร น, นั้นนี่ประพร้อมด้วยองค์ห้าและอย่างนี้ขาดศีลคือคนนั้นทําลายเขาก็ถ้าเข้าขกับทําลายตัวเอง ปาโนแปลว่าสัตว์มีชีวิตคนก็มีชีวิตปาโนแปลว่าอะไรสัตว์ตัดแล้วอะไรแปลว่าคู่ยังคล้องอยู่ในวัดเต่าสงสารยันเกิดยันตายท่านถึงเรียกว่านสัตว์เช่นมนุษย์เราก็เป็นสัตว์สัตว์มนุษย์เป็นคำกลางๆสัตตัดแล้วคู่ยังคล้องยังติดอยู่ไม่ได้หลุดพ้นไปได้เหมือนผ้อรหัสรหัสท่านนั่นท่านไม่ใช่สัตว์แล้วนั่นภาวะสัตว์ก็วิเศษท่านเคยคล้องแล้วท่านผ่านไปได้เสียเรียกว่าสัตว์สัตว์วิเศษนี่คืออะไรเนี่ย อานาเนี่ยคือรักษาชีวิตของของเราของท่านทุกๆรายเพราะชีวิตมีคุณค่าเท่าๆกันแม้ว่าสัตวม้ว่าบุคคลไม้ว่าเด็ดผู้ใหญ่แม้แต่อยู่ในท้องก็มีคุณค่าเต็มเต็มตัวของมันอยู่ในท้องจึงมัทธิวทีเจา้าจึงให้ความเสมอภาคไม่ให้ทําลายนี่นะอาทินาก็เหมือนกันอาทินาคือสิ่งที่มีเจ้าของวัตถุสิ่งนั้นมีคุณค่ามากบ้างน้อยบ้างไม่สําคัญนะสําคัญที่เจ้าของของวัตถุสิ่งของของสมบัตินั้นนะ่ะคือใข่ คือคนคือเจ้าของศนาเป็นเครื่องประจำใจตนมีแต่เจ้าลัดเอาเปรียบคนอื่นโดยทัวเดียวตื่นตา ม, มาเช้ามีอะไรคิดตั้งแต่จะกระตับกับปบอดเขายิ่งกว่าสุนัขบ้าเขาวะ่ะนั่นแหละคนไม่มีศาสนาเป็นอย่างนั้นคนมีศาสนาจะต้องคำนึงถึงความผิดถูกชัว่วดีคำนึงถึงใจเข้า ใ, ใจเราอยู่ด้วยกันทุกคนนี่เราเรามองดูกระลุ่นเนี่ยนั่งอยู่ด้วยกันมีเท่าไหร่มีกี่กี่ร้อยคนนั่นแหละใจกี่ร้อยดวง มีความรู้สึกดีชั่วเหมือนกันหมดน่นเพราะฉะนั้นจึงเอากฎระเบียบอันดีงามคือศีลธรรมซึ่งเป็นเหมือนกันหมดเพื่อความสงบร่มเย็นเข้าไปบรรจุไว้ที่ใจที่ใจอยู่ด้วยกันมากน้อยมีความผาสุขสบายร่มเย็นด้วยกันหมดนี่แหละเรื่องศาสนาขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าเราได้ไดถือศาสนาถือยังไงก็คือถือกฎข้อบังคับที่จะเป็นความปลอดภัยไล่มณฑินเดือดไร้โทษไล่สิ่งที่เสียหายทั้งหลายจากตัวและคนอื่นนั่นเองน่ะ นั่นแหละเรียกว่าศีลธรรมในต่างคนต่างนำไปวิปปฏิบัติเช่นอย่างปานาธิบาตที่ยังที่เราจะรับต่อไปนี้น่ะปานาคืออะไรนั่นปานโนสัตว์มีชีวิตปานัชั้นยิตาตนรู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิต อ, อุ ป, ปะกาปปโมทําความเพียรเพื่อจะฆ่านั่นฟังซิแต่น้ำมานนางสัตตาด้วยความเพียร น, นั้นนี่พร้อมด้วยองค์ห้าแล้วจากนี้ขาดศีล คือคนนั้นทำลายเขาก็ถเข้ากับทําลายตัวเองปาโนแปลว่าสัตว์มีชีวิตคนก็มีชีวิตปาโนแปลว่าอะไรสัตว์สัตว์แล้วอะไรแปลว่าผู้ยําคล้องอยู่ในวัฏฏ์สงสารเย็นเกิดเย็นตายท่านจึงเรียกให้สัตว์เช่นมนุษย์เราก็เป็นสัตว์สัตว์มนุษย์เป็นคํากลางๆสัตว์ตายแล้วผู้ยังคล้องยังติดอยู่ไม่ได้หลุดพ้นก็ได้เหมือนพระรหัสรหาสท่านนั่นท่านไม่ใช่สัตว์แล้วนั่นพระวสัตว์ก็วิเศษท่านเคยคล้องแล้วท่านผ่านไปได้สี่เรียกว่าสัตว์เป็นสัตว์วิเศษ นี่คืออะไรนี่ปาณาเนี่ยคือรักษาชีวิตของของเราของท่านทุกทุกลายเพราะชีวิตมีคุณค่าเท่าเากันไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่แม้แต่อยู่ในท้องก็มีคุณค่าเต็มเต็มตัวมันอยู่ในท้องจึงท่านผู้ริจ้าจึงให้ความเสมอภาคไม่ให้ทำลายนี่นะอัินาก็เหมือนกันอัตนาคือสิ่งที่มีเจ้าของวัตถุสิ่งนั้นมี คุณค่ามากบ้างน้อยบ้างไม่สําคัญนะักสำคัญที่เจ้าของของวัตถุสิ่งของของสมบัตินั้นนะ่ะคือใครคือคนคือเจ้าของเจ้าของนั่นคือใครใจนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างเราให้กันด้วยความเสียตละให้กันด้วยความพอพอใจให้กันด้วยความตั้งาความยินดีให้เท่าไหร่ก็ได้ให้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านล้า น, าน<ๆ>ก็ยิ่งมีความยินดีมีความรื่มปืติพานจิตใจของตนทั้งผู้ให้และผู้รับไม่มีส่วนใดเสียหายเลย ไม่มีฝ่ายเสียหายมีแต่ฝ่ายเป็นมงคลด้วยกันนี่แหละให้กันด้วยความพอใจนี่ลังไปฉกไปลักไปป้นไปตะ -dom ไปตะบัดจะกอกตีทีมิงลาเอาดูสิเข็มเล่มหนึ่งเท่านั้นก็เป็นไทยอย่างร้ า, ายแรงได้ฆ่าคนหน้าทีเดียวเพราะทําลายจิตใจจิตใจจีจเป็นของสําคัญมากในสมบัติอันหนึ่งหนึ่งมีใจเป็นสาคัญนี่แหะท่านรักษาว่าอาินาท่านเนี่ยสมบัติไม่ใช่เป็นเรื่องสําคัญอะไรนะใจของผู้เป็นเจ้าของนั้นสาคัญอยู่มากทีเดียว ถ้าให้กันแล้วให้มากให้น้อยไม่สำคัญมันสำคัญที่ไม่ได้ให้อธินนาคือเขาไม่ได้ให้คุณยังยงไปหยิบ <c oughs> ไปฉวยอเอาการทำลายจิตใจขึ้นกันละกัน <c oughs> นี่แหละมันเป็นความเสียหายมากท่านก็ห้าไมไว้เสียนี่เราทั้งหลายก็พอทราบกันด้วยกันศีลธรรมที่พระพุท ธ, ธเจ้าทรงสอนลงสอนลงในจุดหวัวใจมนุษย์ทั้งนั้นคือเป็นสิ่งที่สะเทือนใจมนุษย์มากทีเดียวเช่นการฆ่าเนี่ยใครอยากให้ฆ่าเอาว่าดูสิสะเทือนใจไหมการจะมาฆ่าเขา เขาจะมาฆ่าเราเนี่ยแต่ละคนละคนเนี่ยคือเราแล้วคนอื่นเขาจะมาฆ่าเนี่ยสะเทือนใจเรามากไหมเอาเขาพูดจะาฆ่าไม่ต้องว่าล่ะเขาไม่กระเทือนแต่เราคู่จจรับเคราะในการฆ่าของเขาน่ะ <S <S เราสะเทือนใจมากไหมนี่สะเทือนใจมากที่สุดนั่นฉันจึงบรรดับลงตรงนี้ตรงที่สะเทือนใจมากอย่าทํากันการอันนี้เป็นสิ่งที่ทําโลกให้กาเริบมากที่สุดไม่มีอะไรตําเริบมากยิ่งกว่าใจสัตว์วใจคนที่เขารักสมหวนมากยิ่งกว่าสินไดในโลกนั่นตังค์จ อธินาทางมันกันสมบัติใดก็ตามเข็มเล่มหนึ่งถ้ามีเจ้าหนึ่งก็เป็นของมอเองีเจ้าของนั่นล่ะเจ้าของก็อยู่ที่นั่นเป็นของสําคัญมากมีคุณค่ามากมีฤทธิ์มีเดชมากอย่าไปแตะไปต้องนั่นท่านบัญญัติลงในจุดสำคัญสำคัญนี่ละพระพุทธเจ้าผองค์วิเศษท่านรู้จิตใจของสัตว์รู้ความถูกต้องดีงามสอนศาสนาลงด้วยความถูกต้องมี่นาการเมฆก็เหมือนกันใครผัวใครเมียใครลูกใครหลานใครแม่ลากมีเหลือในโลกนี้นี่ละมันฆ่าก็ได้ ข้าวอย่างที่ผายผลปีกคือหัวใจมาทําลายหัวใจกันใครจะมารับไม่สมหวนของการ น, นันเนี่ยบัญญัติล ง, งตรงที่จะความกำเริบของใจทาให้ใจให้สงบสงบต่างคนต่างมีความยินดีต่างรู้ของเขาของเราแล้วโลกนี้อยู่ด้วยกันมากเท่าไหรก็ไม่มีไผยสบายไปหมดนี่เพราะศีลธรรมเข้าไปเยียวยาศีลธรรมเป็นรั้ว ก, กั้นศีลธรรมเป็นสิ่งที่รักษาความปลอดภยยอัยไร้กังวลซึ่งกันและกันสบายไปหมดนะฟังสินี่เราอธิบายเพียงสาข้อเท่านี้ แล้วข้ออื่นก็ท่านทั้งหลายก็เคยได้ยินแล้วเพราะหลวงตาบั ว, วเคยได้พูดให้ฟังทุกข้อทุกข้อแล้วนี่มาพูดให้ฟังนี่คือกฎระเบียบข้อบังคับรักษา จ, จิตใจสมัครสมานจิตใจของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันให้มีความผาสุขร่มเย็นเป็นสุดด้วยกันทั่วหน้าโดยไม่ต้องต้องถ่ายถ้าคนต่างคนต่างมีสินรำส่วนมากที่เริ่มเคยเกิดความเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะผู้ใดผู้นั้นไม่มีสินทำจึง ท, ทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ถ้าต่างคนต่างศีลมีศีลทำแล้วจะหาความเดือดร้อนต่อกันมาได้เพราะศีลธรรมไม่เคยบันดัดไม่เคยสั่งสอนโลกให้เดือดร้อนบุญบาฮิปหาอะไปพวงไปเลยสอนจะมีการส่งเสริมการบำรุงรักษาท่าเดียวสอนเพื่อการทำลายไม่มีในจัตวานอกจากให้ทำลายความชั่วที่มันทำลายมนุษย์เราเท่านั้นเองอันนั้นท่านสอนให้ทำลายเช่นโกทางฆัตติซุโกโกทางฆาตวาสุก ข, ขังเสติให้ฆ่าความโกรธนั้นสียะนั่นแหละ ควาโกรธมันพาให้ตาดําตาแดงพาใทะเลาะบอกแว้งดึงกันนะคับฆ่าความโกรธได้แล้วมันอยู่เป็นสุขท่านวะโกทางคัตตะวะสุขขังเสตินั่งก็สบายนอนก็สบายยืนก็สบายอะไรสบายหมดถ้าค่าความโกรธคำโหยต่อโสงได้แล้วนั่นท่านไม่ให้ค่าความทั่ว์ต่างหากไม่ได้ฆ่าคนฆ่าสัตว์ทำท่านท่า น, า น, า น, า น, านสอนอย่างนั้ น, น, นทุกทุกท่านคำจําหมดจดจําเอาไปนะแต่ค่อปฏิบัตินามีแา่ตัณหาอย่าได้ลืม เราเกิดมาในชั้กลางแห่งศ า, นาสนาเป็นราบอันประเสริฐแล้วในมนุษย์เรานี้ไม่มีที่อันใดที่